รวมกันไม่ได้อย่างนี้เพราะฉะนั้นวัดว่าอารามที้เราพร้อมใจกันสร้างไว้ก็สร้างไว้เพื่ออย่างนี้แหละเพื่อมานั่งฝึกฝนอบรมตนเพราะว่าความเป็นไปของศีลธรรมนี่มันเกิดขึ้นจากการกระทำ ไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วมันเกิดขึ้นเป็นขึ้นไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าอยู่เฉยๆแล้วมันเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าก็าไม่ได้สละราชสมบัติออกไปบวชได้ไปทำทุกขระกิริยาอยู่ในป่าเขาลมเนาไฟจนโชกโชนเกือบเอาชีวิตไม่รอด เราต้องทบทวนดูความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเราจะได้รู้ได้ว่าศีลธรรมหรือบุญกุศลตลอดถึงมรรคผลธรรมวิเศษนี่มันเกิดขึ้นได้จากการกระทาการฝึกกายฝึกกาจาฝึกใจให้เข้มแข็งอยู่ในความดี จิตใจนี่ถ้าว่าปราศจากกุศลคุณงามความดีแล้วหาความสุขไม่ได้เลยให้พากันสันนิษฐานดูให้ดีเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าดีกับชั่วมันเป็นปฏิปักษ์กันมาตั้งแต่เรามีชีวิตมาโน่นนะตั้งแต่เกิดมีธาตุสี่ขันธ์ห้าขึ้นมาโน่นะ มันก็มีดีกับชั่วอยู่ในหัวใจนี่นะถ้าหาว่าใจละความดีเสียความชั่วมันก็แทรกขึ้นมาแทนถ้าใจละความชั่วเสียเอาวความดีมันก็เกิดขึ้นมาแทนอยู่อย่างนี้แหละการท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะบางชาติก็ได้ไปคบกับคนดี พบกับบรรฑินักปราศนักปราศท่านก็นนะนําชักจูงให้ฝึกตนแนะนำให้พยายามละชั่วทำดีนี่ชีวิตก็เลยเจริญรุ่งเรืองขึ้นในชาตินั้นถ้าบางชาติเอาไปไปหลงไปคบกับคนพาลเขาไปคบกับคนที่เห็นผิดเป็นชอบเข้าไป ก็เลยพากันเห็นผิดเป็นชอบไปตามคนผ่านเป็นอย่างนั้นเกิดทำนำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดเช่นบางยุคบางสมัยอะ่ะไม่มีพระพุทธเจ้าบางเกิดขึ้นในโลกก็มีแต่ศาสนาพรามนี่แหละระบาดอยู่ทั่วโลกนี่ศาสนาพราณ์นี่ เขา็นนะ่นําสั่งสอนให้คนทําพิธีบวงสวงบูชายันให้ถือนับถือท่าหมหาพรหมแต่การนับถือของเขามันมันไม่เป็นไปเพื่อความสุขความเจริญมันเข้าใจผิดนิพูดตามตําราคิดว่า ถ้ามาพรมนั่นก็จะชอบเนื้อชอบอาหารอันอร่อยเหมือนกับมนุษย์นี่ดังนั้นหลงบูชายันเขาเขาจึงมีพิธีเชือดคอแพ้คอแกะแล้วก็โยนเข้ากองไฟให้ไฟมันเผาเนื้อแพ้เนื้อแกะนะั้นส่งกลิ่นพุ่งขึ้นไปสู่ท้องฟ้านนอง ให้ทาหมาพรมมนสูตดจมเอากลิ่นของเนื้อสัตว์นั้นแล้วทาหมาพรมจะเกิดความเอนดูกรุณาและจะประสิทธิ์ประสัดอำนวยความสะดความสุขความเจริญให้มันความเข้าใจผิดของมนุษย์สมัยนั้นเป็นอย่างนั้นแะเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดขึ้นมาในโลก พระองค์เจ้าจึงได้ชี้แนะหนทางที่ถูกต้องอันเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์โดยตรงเลยประนี้ไม่ใช่โดยอ้อมน ะ, อะถ้าผู้ใดยังติดแน่นอยู่ในรัฐที่นั้นมากมายนี่ก็พระองค์ก็สอนถ้ า, าว่าอยากไปเกิดอยู่กับท้าหมหาพรหม่อยพากันเจริญพรหมวิหารซี และเจริญเมตตากรุณามุทิตาเบกขาทำสี่อย่างนี้ให้เกิดขึ้นในใจถึงจะได้ไปเกิดอยู่กับท้าหมหาพรหมผู้ที่เชื่อตามหน้ากัตั้งใ จ, จเจริญพรมวิหารสี่จนว่าใจสงบเป็นสมาธิจนบรรลุรูปประชานรอรูปประชานไป หมดอายุสังขารแล้วก็ไปเกิดพรหมโลกได้จริงแต่ถ้าหากว่าเขาเรานั่นไปฆ่าสัตว์ปูชายันย่างลัที่เดิมแล้วไม่มีทางที่จะได้ไปอยู่ร่วมกับท้ามหาพรหมอันนี้การที่พวกเราได้มาฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้นี่นับว่าปเป็นลาบอันประเสริฐ เราจะได้รู้ทางดําเนินของชีวิตโดยถูกต้องเรียกว่าเราเดินทางรัดทางตรงไปเลยไม่ต้องเดินทางโค้ง เ, เดินทางลัดตรงไปสู่ความพ้นทุกข์ไปสู่สถานที่สุขเกษมสันที่ท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นแหละ ให้พากันทำความปีตียินดีในการฝึกขนอบรมตนในอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้จัดกันขึ้นมาครั้งนี้เลยแต่ความจริงแค่ไม่ต้องการที่อยากจะทำบุญอายุอานามอะไรหรอกก็จะทำยังไงแล้วก็รู้อยู่นี้ รูปร่างกายอันนี้เป็นของไม่เที่ยงแม้ว่าเราจะมาต่ออายุอานามกันอย่างไรมันก็ไม่ไม่ไปยืดเยื้อไปได้แหละมันมีขอบเขตจํากัดคุณภาพร่างกายอันนี้เนะี่ยมันมีกรรมเป็นขอบเขตอืเมื่อหมดกรรมแล้วก็หมดชีวิตนั่นเอง มันเป็นอยู่ด้วยกรรมชีวิตนี้นะมันเป็นอย่างนั้นกรรมดีกรรมชั่วที่ทำเอามาแต่หนนหลังโน้นมันติดตามมารักษาไว้ทางหากวันนี้กรรมดีกรรมชั่วนะั้นมันก็มีขอเขตเหมือนกันนะเหมือนตะเกียงและโคมไฟอาศัยไส้กับน้ามันนะแสงสว่างของดวงไฟมันจะโพร่งอยู่ได้ ก็เพราะอาศัยไส้มันยังอยู่น้ำมันยังอยู่เพราะว่าไฟมันไม่ใส้หมดลงไปน้ำมันก็หมดลงไฟนั่นก็ดับปุ๊บไปเลยนี่ฉันใดชีวิตอัตภาพร่างกายของคนเรานี่มันก็อาศัยบุญบาป ท, ที่ทำออกมานั่นแหละเป็นเครื่อง นำดวงกิวิญญาณนี่ให้มาเกิดเป็นรูปเป็นนามอันนี้ขึ้นมาอืมเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วบุญกรรมอันนั้นก็มาตามรักษาไว้ถ้าบับมาตกแต่งอย่างนี้เกิดมาแล้วก็มีอวิวะร่างกายไม่สมประกอบจะตายก็ไม่ตายจะดีขึ้นก็ไม่ดีทนทุกข์ทรมานไปอย่างนั้นนะจนกลัวจะหมดเขตของบาปกรรมอั น, นั้น รูปนั่นมันถึงจะแตกดับไปอย่างนี้เราก็เห็นกันอยู่ดาษดื่นไม่ใช่หรออือเราเห็นกันอยู่ดาาดื่นแต่ว่าเห็นแล้วไม่เอามาคิดส่วนส่วนมากไปเห็นคนขี้ทูดพุดถังและขี้เดียดซ้ำเมินหน้าหนีไม่ปรารถนาอยากจะดูซ้ำเลยนั่นเลยนักปราดญทั้งหลายท่านไม่เป็นอย่างนั้นนะ เมื่อไปเห็นอะไรเข้าแล้วอย่างนี้ก็จับเอามาคิดมากลองเหมือนอย่างที่พระพุทธ เ, เจ้าของเรานะตอนที่พระองค์ใกล้ๆจะเสด็จออกขวดเขาไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเท่านั้นนะก็ะทรงร่มเข้ามารำพึงในพระไยว่าพระองค์ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลย จะทำอย่างไรถึงจะพ้คนความเป็นอย่างนั้นไปได้ก็ทรงทบทวนดูทำไมมันยังเกิดขึ้นมามีรูปมีนามอันนี้ก็ทรงรู้แจ้งว่าพราะตันหาอุบทานเป็นมูลเหตุทำให้คนเราทำดีบ้างทำชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั้นนํามาตกแต่ง อัตภาพร่างกายนี้ให้นั่นคงทบทวนหาต้นเหตุมันเมื่อเป็นเช่นนี้เพื่อไม่ให้มันเกิดอีกเราจะทำยังไงก็ต้องแสวงหาสถานที่สงบสงัดแล้วก็ประกอบความเพียรละตัณหาอุบท า, านในใจนี้ให้มันหมดไปสิ้นไปแล้ว เมื่อตัณหาไม่มีแล้วมันไม่มีเชื้อที่จะนำจิตวิญญาณนี้ไปเกิดอีกแล้วมันมันก็เป็นอันว่าสิ้นสุดลงในการเกิดนี <c oughs> <c oughs> ่นตัณหาที่เนหังคนว่านั่นเนี่ยกรมมทีชังอวิชชาเขเตเตคนะนั่นเนี่ย กรรมนี่กรรมดีกรรมชั่วเนี่ยนะมันเป็นพืช ม, มันเหมือนกับพืชยางในพืชของเมล็ดพันไม้ต่างๆนั่นนะ่ะตัณหาสิเนหังตัณหานี่เหมือนกับยางในพืชนั่นนะอวิชชาเขตเตบานีอวิชาเเตเตวชานี่เหมือนอย่างขอบเขตที่นาที่สวนของแต่ละคนมีขอบมีเขต ใครจะไปล่าเขตกันไม่ได้นั่นนะอันนี้จิตวิญญาณของคนเรานี่ก็วกเวียนอยู่ในขอบเขตแห่งอวิชชาความไม่รู้นี่นะวนอยู่ในวัฏสงสารอันนี้ออกจากความเกิดแก่เจ็บตายอันนี้ไปไม่ได้เพราะอาวิชชาความไม่รู้นี่นะ เป็นปัจจัยอันสําคัญนะอนเนี้ย <c oughs> เหมือนอย่างเครื่องยนต์กลไกทต่างๆนั่นแหละเมื่อเขาสตาร์ทเครื่องเข้าไปแล้วเครื่องก็หมุนอยู่ที่เก่านั่นนหมุนแล้วกับเ อ, อพอขึ้นเกียร์เข้าไปท่านี่มันก็ไปแล้ว อ, อรถหมุนไปแล้ว ไปแล้วมันไม่ใช่ไปลวดเดียวเลยอ่ะเอา้าไปแล้วพอวกกลับมาอีกอยู่อย่างนั้นเลยเนี่ยอย่างว่าบ้านของนายกในขออยู่บ้านหม้อนี่นั่งรถจากบ้านหม้อนี้ไปกรุงเทพแล้วอพอไปกรุงเทพแล้วไม่ใช่ว่าจะไปยูงเทพเพราะบ้านไม่ได้อยู่นั้นก็ต้องวกกลับมาอยู่บ้านนี้อีกมาหาบ้านหม้ออีก อย่างนี้เลยอันนี้ฉันได้เทียบได้กับอุปทานในใจของคนเราเนี่ยเมื่อใจมันห่วงเ อ, อโลกอันนี้อยู่ยนี่นะตายไปแล้วมันก็ยังโงกมาเกิดอีกอยู่พราะมันห่วงนี่มันตัดห่วงไม่ได้อ่านั่นแหละอันนั้นก็ของกูอันนี้ก็ของกูอยู่อย่างนั้นนะลูกกูหลานกู ผัวกูเมียกูอะไรไปฮะเอ้าสร้างอะไรต่ออะไรขึ้นไว้เอาสร้างไวใ้ให้ลูกสร้างไว้ให้ล้านเผื่อว่าตายแล้วเขาจะได้มาเกิดอาศัยเขาอีกบางคนเนี่ยคิดอย่างนั้นก็มีนะความไม่รู้อวิชชานะพอมองไม่เห็นเลยไม่ทราบตายไปเกิดกับใครเขาต้องมาเกิดกับลูกกบหลา น, นั่นแหละ มองเห็นแต่แค่นั้นนี่ ส, สูงขึ้นไปคนนั้นมองไม่เห็นนะมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมนะันนี่แหละคาว่าอาวิชชานะคนาไม่รู้ตามทัศนคติของพระพุทธศาสนาเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าว่าตามหลักแล้วนะควไม่รู้จากทุกไม่รู้จากเหตุให้เกิดทุกไม่รู้จากความดับทุก ไม่รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่อวิชชาสี่อวิชชาแปดก็มีนั่นเนี่ย <c oughs> เอาแค่อวิชชาสี่นี้อวิชชาสี่นี้ก็พอรับประทานแล้วมันเนี่ย <c oughs> ความไม่รู้จักทุกข์เมื่อตอนประสบกับความทุกข์มาก็มีแต่ร้องมีแต่ครวญครางหวยหวน อยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปแก้ไขจิตใจยังไงมันถึงจะไม่ถูกทุกข์ครอบงำไม่รู้เลยอ่าเป็นอย่างนั้นเขาว่าไม่รู้จักทุกหรือไม่รู้เท่าทุกไม่รู้จักเหตุทห้เกิดทุกข์ก็มีแต่สร้างตัณหาขึ้นในใจเรื่อยไปทางที่ตัดทอนตัณหาให้มันน้อยลงไม่มีอ่า อยากได้อันนี้แล้วได้มาแล้วก็อยากได้อันนั้นได้อันนั้นมาแล้วก็อยากได้อันนู่นเรื่อยไปอยู่อย่างนั้นน ะ, ะปล่อยให้จิตใจสร้างความอยากขึ้นทับถมตัวเองอยู่อย่างนั้นนี่เราเรียกว่าไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อสร้างจันหาขึ้นมากเท่าไหร่ทุกมันก็มากขึ้นเท่านั้นเป็นอย่างนี้ ก็ไม่รู้จักที่ดับทุกนั่นแหละก็หมายความว่าไม่รู้จักที่ดับตัณหาเนาะตัณหามันเกิดขึ้นที่ไหนทบทวนดูไม่รู้ไม่เห็นเลยทางที่ตัณหามันเกิดขึ้นจากดวงจิตนี้แท้ๆยังไม่รู้จักไม่รู้จักว่าตัณหามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนั่นเนี่ยก็เพราะว่าคนเราไม่ได้ทำจิตให้สงบ ไม่ได้ทวนกระแสจิตเหมือนอย่างหนังสืออาจารย์ทูนแต่งเล่มหนึ่งนั่นนะ่ะม า, าท่านให้หัวข้อว่าการทวนกระแส อ, อันนี้นะคนส่วนมากไม่ไม่ค่อยจะมีการทวนกระแสจิตเลยมีแต่คิดไปหน้าเรื่อยป่วยไป ไอจ้จะย้อนกลับมาดูตัวเองเนี่ยไม่ค่อยมีฮะเว้นเสียในผู้ปฏิบัติธรรมเท่านั้นนะนั่นเนี่ยเอเรื่องนี้มันเกิดมาจากอะไรหนออย่างนี้นะไม่ได้ไม่ได้ทบทวนนะไม่ได้นึกทบทวนอย่างนี้ฮนะ อ, อย่างเช่นพระศาสดา ท, าที่ก่อนที่พระองค์จะเสด็จออกบวช ด, ดังที่ กล่ามาแล้วตอนต้นนะนั่นนะพระองค์รู้จักทวนกระแสจิตทวนไปทวนมามันก็มาคาอยู่ที่ดวงจิตนี้เพราะจิตนี่แหละมาถือมั่นสิ่งนั้นของเราสิ่งนี้ของเราอยู่นี่เหตุนั้นมันถึงค้นจากทุกไปไม่ได้เอาละทีนี้เราจะไม่ถือมั่นมัน่ะสละมันทิ้งให้หมดเลยก็จไในสละราชสมบัตินั้นออกไปเลย โดยไม่ได้มอบหมายให้ใครใครจะเอาก็เอาเพราะองค์ไม่นึกหวังว่าจะกลับมาครองมันอีกแล้ว<ม>นี่แหละคำว่าทบทวน<ม>เ อ, อ่เราพวกนับถือพุทธศาสนาเราก็ต้องทบทวนที่ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเป็นมาอย่างไรอ่อย่างนี้เราก็ต้องทบทวนดูอย่างนี้แหละถ้าทบทวนดูแล้วว่าเอ้ยเรามันก็สละอย่างว่าพระพุทธเจ้ามยังไม่ได้ก้อน เอาถ้าสระทุกสิ่งทุกอย่างยังไม่ได้ก็แบ่งสละเอาแบบนี้อจะเป็นไรมีอ่ะแบ่งอะไรแบบนี้ออกก็เมื่อไปพกความชั่วเขาเราก็แบ่งสระความชั่วนั้นออกไปเพราะว่าตัณหานี่มันแทรกอยู่ด้วยทั้งดีทั้งชั่วมันเป็นยางไงก็มันไม่ใช่ว่าชั่วทั้งหมดนะตัณหาเนี่ดีก็มีนี่ เพราะฉะนั้นถ้ายังสละไม่หมดก็ให้ค้นคว้าดูว่าปัญหาประเภทใดมันทําให้คนเราทําบาปอปัญหาประเภทใดมันทําให้คนเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุส า, า, าวะอาวัตดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาของเสพติดเทโซ่งส า, า ง, างนเนี่ยเนี่ยไอบุคคลทํากรรมห้าอย่างนี่แหละ มันเป็นบาปมีเท่านี้บาปมีอยู่ห้าอย่างเท่านี้นะมันไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องลึกซึ่งจะไม่สามารถรู้ได้แต่คนไม่สนใจไม่คิดให้ละเอียดเท่านั้นดอกเรื่องมันนะถ้าเรามาเพ่งมาคิดให้ละเอียดแล้วออเข้าไปแล้วเราก็จะลงมติเอาได้เลยว่าอุยบาปนี่มีอยู่ห้าอย่างเท่านี้แหละองั้นถึงแม้ว่าพระพุทธเจ้าจะทรง แสดงความชั่วหลายอย่างหลายประการไว้กว็าตามแต่มันก็ออกไปจากห้าอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งความชั่วแต่ละอย่างนะที่มันเป็นปีกย่อยออกไปนะั้นดังนั้นเมื่อบุคคลได้มาละกรมชั่วห้าอย่างนี้ได้แล้วไอ้ความชั่วย่างอื่นๆนะั้นมันก็เบาไปมันก็มันไม่เป็นเรื่องลำบากเลยอ่า มันละไปได้ง่ายนี่ถ้าพูดแล้วนะพูดที่ละบาปกรรมห้าอย่างนี้ได้เด็ดขาดลงไปนั้นมันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันนุ่นไม่ใช่ตำต่ำนี่เรื่องมันนะดังนั้นท่านผู้ได้บรรลุโสดาบันแล้วอย่างนี้ก็เพราะนั้นว่าท่านหมดบาปแล้วท่านถอนรากของบาปออกหมดแล้ว อย่างนี้เลยเมื่อดวงขิดนี่นะไม่มีบาปมาผูกพันแล้วมันก็มีแต่ก้าวหน้าไปสู่บุญกุศลสูงขึ้นไปโดยลําดับไอ้ที่มันก้าวหน้าไปไม่ได้นะั้นไม่ใช่อย่างอื่นได้เนะาะถ้าใสบาปนี่นะมันน่วงไว้ก็ตัวเองนั่นแหละสร้างบาปให้ตัวเองแล้วบาปมันก็น่วงดวงขิตตัวเองนี่ให้สูงขึ้นไปไม่ได้เลย มันเป็นอย่างนั้นดังนั้นพระโสดาบันนี่นะท่านจึงอุปมาไว้เหมือนอย่างบุคคลนั่งเรือไหลล่องไปตามกระแสน้ํานะอเรือนั้นถึงจะไม่แกวไม่พายมันก็ไหลไปเองมันหนเพียงแต่ถือท้ายไว้เท่านั้นอย่าให้มันอย่าให้กระแสน้ํามันพัด ไปชนฝั่งหรือว่าโดนเกาะโดนแก่งก็แล้วกันถึงไม่ออกกำลังแจวภ า, ายมันก็ไหลไปเองกระแสน้ำาน่ยมันพาพัดไปอันนี้ฉันใดคุณธรรมของพระโสดาบันก็เป็นเป็นอย่างนั้นเนี่ยผู้ได้บรรลุโสดาบันเรือ่องนี้ มันขยันหมันเพียนไปในตัวเลยไม่มีเกียรติขัน้นแล้วการทำความดีคุณธรรมของพระโสดาบันเลยนะมันเตือนจิตให้ขยันหมันเพียนไปอยู่อย่างนั้นมันไปเองมันเลยเหมือนอย่างอันเรืออย่างว่านั่นเลยปล่อยเรือให้ไหลไปตามกระแสน้านั้นถึงแม่ไม่แจ๋วม่พายมันก็ไหลไปเอง อันพระโสดาบันนี่ก็เหมือนกันนะไม่มีใครสอนก็สามารถสอนตัวเองได้ทำความดีไปได้โดยอิสระเลยมีแต่ก้าวหน้าไปสู่พระนิพพานโดยตรงอันจะไปทางอื่นไม่มีเลยดวงขิตของพระโสดาบันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานะ่ะนี่แหละไอ้คนเรานี่นะ มันมาคล้องอยู่ตั้งแต่บาปนี่แหละถ้าพูดกันโดยตรง่ะอย่าไปอย่าไปเพ่งไปอย่างอื่นเลยโอ้ยเรานี่ยยังกิเลสหนาอยู่ว่างั้นคำว่ากิเลสหนาเนะี่ยหมายถึงตัวบาปนี่เองแหละอย่าพากันไปคิดให้ลึกซึ้งไปให้มากนะักเราเป็นผู้กำลังเรียนกอไก่ขอไข่อยู่ ต้องผสมสระอะสระอาสระอิสระอี อ, อ, อ, อ, อะไรให้มันถูกต้องก็เรียกันนะเป็นตัวอักษรแล้วผสมเข้ามาอ่านให้มันออกได้แลก็ใช้ได้สีภาษาไทยอะถ้าจะมีแต่ตัวอักษรกอไก่เคาไข่อยู่เท่านั้นไม่มีสระอะไรมาผสมนะมันจะไปอ่านได้ความอะไรล่ะอย่างนี้แหละอันนี้ก็เป็นเทนนจิตใจของคนเราเนี่ย เราต้องปรับปรุงเข้าไปเอ่อเอาถ้าว่าใจธรรมดาสามัญเฉยนี่ก็อุปมาเหมือนอย่างมีแต่ตัวอักษรเ น, นี่ยภาษาไทยอะมีแต่ตัวกอไก่ขอไข่ไปธรรมดาอย่างนั้นเนี่ยบริจิตนี่ถ้าว่าเอากุศลคุณงามความดีเอ่อประกอบเข้าไปแบบ น, นี้นะ เอากุศลคุณงามความดีต่างๆผสมเข้าไปกับดวงกิดนี่ดวงกิดนี่มันก็มีกําลังเข้มแข็งซี่บะเนี่ยข้อธรรมชาติของดวงกิดนี่นะมันผ่องใสอยู่แต่เดิมมาแล้วอแต่อาศัยบาปนี่นะมันมาหุ้มห่อไว้มันจึงมืดมนอนทการเป็นอย่างนั้นเรืองมันนะวันนี้เพื่อบุคคลใดมลาละบาป ห้าอย่างนี่นะให้มันหมดออกไปจากดวงจิตนี่แล้วจิตนี่ก็พองใสอ่ะแต่พองใสเฉยๆมันนอดสักหน่อยนี่มันก็จะเศร้าหมองคืนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำกบกุศลความดีอะไรเข้าใส่ไว้เลยนั่นแหละนอกจากละบาปอันนั้นออกไปแล้วอย่างนี้มันก็ต้องน้อมเอาคุณพระรัตนากรายนี่ เข้าไปตั้งไว้ดังนั้นการสมทานสินเนะี่ยเราจึงต้องสมทานคุณพระรัตนกรัยนี้พร้อมกันไปกับสินเลยอ่ามันเป็นยังไงถ้าผู้ใดมีสินก็มีคุณพระรัตนกรัยอยู่ในตัวเลยอ่าผู้ใดไม่มีสินก็ไม่มีคุณพระรัตนไกไัยแหละนี่ให้เข้าใจอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ถ้าพูดมาถึงนี่แล้วก็มันก็ง่ายนิดเดียวนะง่ายนิดเดียวเลยขอให้เว้นบาปนี้ให้ได้ก็แล้วกันนะ่ยไม่ไม่พูดไปอ้อมค้อมไปทางอื่นดอกเอาลงไปตรงนี้แหละเพราะว่ามันเป็นบทสรุปด้ครูบาอาจารย์ท่านก่อแสดงมาโดยลำดับลาดับมาแล้ววันนี้ก็ อาตมาก็เป็นผู้สรุปแล้วบันนี้มาสรุปลงไป <c oughs> ไม่ใช่เป็นธรรมตำๆนะการละ บ, บาปนี่ผู้ใดละ บ, บาปใจนะว่าเป็นผู้มีปัญญาสูงอะ่ะเพราะนั้นพระบราลีบทหนึ่งขององค์จึงตรัสไว้ว่าอะหิ่ง้าปรมาธรรมมาความไม่เบียดเบียนกันเป็นธรรมอย่างยิ่ง เป็นธรรมอย่างสูงฟังเอาซิพุทธภาษิตเนี่ยนั่นแหละดังนั้นถ้าผู้ใดมาทบทวนดูตัวเองแล้วว่าตนเองเว้นจากการเบียดเบียนได้แล้วโดย ก, การทั้งฟวงเนี่ยก็ให้ภูมิใจเลยว่าตนนั้นมีคุณธรรมสูงแน่นอนนะ เ, ออเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราเราจะไปสงสัยลังเลทำไมอ่ะ การปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่เราก็ต้องทบทวนดูกายดูจิตตัวเองอย่างอาจารย์ศรีทนท่านแสดงแล้วนยนะคนเราไม่ชำระตัวเองในะประชชชำระอะไรแต่คนส่วนมากก็มาชำระแต่ร่างกายนี่ขัดถูแต่ร่างกายซักแต่เสื้อผ้าอาภรณ์ <c oughs> แต่แล้วความพูดทางกายไม่ชําระล้างคําพูดทางวาจานเออมืองนไม่ไม่คิดที่จะล้างไม่คิดที่จะ อ, อขัดเกลาคิดได้ยังไงพูดไปอย่างนั้นผิดถูกไม่รู้ อ, อนี่เรียว่าวาจาที่ไม่ได้ชาระล้างจิตใจก็เหมือนกันบนัดนี้ตอนเห็นอย่างไรก็เชื่อไปอย่างนั้นเลยเ อ, อืม ไม่ได้ทบทวนดูไม่ได้เทียบเพียงกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละไม่ได้ฟังคำสอนไม่สนใจที่จะฟังฟังแล้วก็ไม่จำเอาไปเทียบกับความเห็นในใจของตัวเองตรงกันไหมความเห็นของตนกับธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้านี่อย่างนี้นะไม่ไม่ค่อยเอาไปเทียบเพียงกันนะมักจะถือมั่นในความเห็นของตัวเองแนหะคนส่วนมาก อย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยเพราะว่าความเห็นของตนนะมันมีอวิชชาพุ่มห่อมาใจนมนานแล้วแล้วแล้วความเห็นของตนนะมันจิตรงไปสู่ทางพ้นทุกข์ได้อย่างไรอะ่ะมันมีอวิชชาตันหาแทรกแซงอยู่นี่เมื่ออวิชชาตันหามันเพิกออกไปหน่อยหนึ่งเออมันก็เห็นถูกมา อ้าวถ้าวิชาตัณหาหุ้มเข้าไปก็เกิดเห็นผิดขึ้นมาอย่างนี้นะใจของคนธรรมดาสามัญทบทวนดูให้เห็นวันนี้อ้าวมูลเหตุที่จะให้บุคคลเราทำบาปห้าอย่างนั้นมันมาจากไหนหน อ, อย่างนี้ทบทวนดูมันก็รู้ได้มาจา ก, กจิตนี้แหละ จิตนี่มันสะสมความโลภความโกรธความหลงนให้หนานแน่นขึ้นไปแล้วก็มันก็บรรดาให้คนเราทำบาปมีฆ่าสัตว์เป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะเมื่อผูใ้ใดทบทวนดูรู้ได้อย่างนี้แล้วมันก็เว้นบาปนี้ได้เท่านั้นเลยเอา้าเออมูลเหตุที่ใช้คนเราทำบาปมันอยู่ตรงนี้เอารอบที่ ได้กินอาหารไม่ถูกปากก็ไม่เอาแล้วเนี่ยไม่เอาแล้วเอาเลี้ยงไก่ไว้ในเราไปจับไก่มาเอาไข่มันมาต้มแกงกินนั่นนั่นแหละความโลภอะความโลภในอาหารนะ่ะมันทำให้คนเราทำบาปอออันจะไปกินผักลวกกับน้ำพริกสักวันหนึ่งนี่ไม่ไหวแสบร้องเนี่ย นี่แหละความโลภว่าให้เห็นได้ไง่ายๆนี้นะเป็นอย่างนี้แหละในความโลภอย่างอื่นก็มีไปเห็นสมบัติของผู้อื่นมากๆเข้าก็คิดอยากได้อย่างรุนแรงแล้วจนถึงไปหลอกลวงเขาช่อโกลงเขามานั่นความโลภมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทําบาปบางลายมันรุนแรงกว่านั้นไม่ต้องไปหลอกลวงอะไรยาก สะสมอาวุธอะไแล้วก็เขาเผ่อๆตัวไปจี้มันเลยอ่ะมันขัดขืนก็ยิงทิ้งเลยลอกคาบเอาหมานั้ น, น่ะยิงตายแล้วนี่ความโลภเราทุกคนต้องทบทวนดูให้มันรู้แล้วมันมีไหมในใจของเราเนี่ยความโลภแบบนี้มีหรือไม่ในใจของเราอ่ะไม่มีถ้าไม่มีก็นาวาัดดีเอาเราก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีอย่างไรบริโภคอย่างนั้นอาหารหามาได้อย่างไรโดยทางที่ชอบก็รับประทานไปอย่างนั้นเอาแต่พอประทังไว้พอประทังชีวิตไปวันหนึ่งคือหนึ่งแล้วเป็นพอละอจํากัดลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้ทําบาปเพราะอาหารคนเรานะไม่ได้โลคอาหารแล้วกว่านี้ความโกรธละ่ะนี่แหละ เมื่อมันโกรธจัดม า, พ, าพอแล้วมันก็เป็นเหตุได้ฆ่าผู้อื่นได้อย่างว่านั้นนะหละหลงละ่ะความหลงเนี่ยนะว่าเป็นกิเลสตัวสําคัญมากทีเดียวเพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงได้โลภเพราะมันหลงนั่นแหละมันถึงได้โกรธนี่ก็ลองทบทวนดูถ้ารู้อย่างที่ว่านี่แล้วมันก็ไม่โลภมันก็ไม่โกรธอื หรืออย่างนั้นดังนั้นน่ะขาพุเทธเจ้ายังได้ทรงส่งเสริมให้คนเรานั้นสนใจในการฟังนี่ในตาราแสดงไว้ว่าพอเริ่มพระองค์จะ แ, ดจะแสดงคำอย่างนี้พระองค์ก็ทรงประกาศขึ้นมาก่อนแะพิกขโวดูก่อนพิสูงหลายท่านทั้งหลายจงฟังจงตั้งใจฟัง จงเงียหูลงฟังนี่มีอยู่ในตำราจริงๆนี่ป่านนั้นเนี่ยพระองค์ทรงประกาศขึ้นก่อนเลยให้คนตั้งออกตั้งใจจริงๆนั่ น, นเลยเมื่ อ, เ ม, อเมื่อคนตั้งใจได้อย่างนี้พระองค์แสดงไปยังไงมันก็รู้ตามเห็นตามไปสิ่งใดที่พระองค์สอนให้ละมันก็ละไปเดี๋ยวนั้นเลย อสิ่งใดทรงสอนให้กําหนดรู้ก็กําหนดรู้เดี๋ยวนั้นแหละนี่เพราะฉะนั้นนะฟังธรรมโปร่งแสดงธรรมจบลงแต่ละการ น, นี้จึงได้มีผู้บรรลุมากคนผู้ใดมีสติมีปัญญาแก่ยกล้าแล้วก็หลุดพ้นไปได้ผู้ใดอินทียังอ่อนอยู่ก็ยังไม่หลุดพ้นได้ความเลื่อมใสไปเท่านั้นเอง ได้จำเอาข้อธรรมะที่พงแสดงนั้นไปปฏิบัติตามผู้อินทรีย์ยังอ่อนอยู่นะ เ, เมื่อไปปฏิบัติตามเข้าไปอินทรีย์มันก็ค่อยแก่ขึ้นแก่ขึ้นนะเป็นอย่างนั้นเรืออ่องมันนะอันจะให้มันหลุดพ้นจากกิเลสบาปธรรมไปพร้อมกันหมดทุกหมู่เหล่าไปนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะว่า แต่ละคนนั้นได้เริ่มสร้างบุญบารมีมาชาเกวกเร็วกว่ากันหรือว่าก่อนกันหลังกันวันเถอะนั่นแหละบางคนก็เริ่มสร้างบารมีมานานก่อนก่อนแล้วอย่างนี้นะบารมีของเพื่อนมันก็แก่กล้า ม, มากแล้วบางคนก็เพิ่งเริ่มสร้างมาไม่ไม่นมนานเท่าไหร่นี้นะักอย่างนี้แหะเพราะฉะนั้นน่ะ ฟังทำเหมือนกันแต่ไม่สามารถจะบรรลุมรรคผลได้เท่าเทียมกันก็เพราะอาศัยบุญบารมีนี่แหละมันยิ่งมันย่อนกลัวกันไม่ใช่ว่าเราจะไปข่มใจนิราคกิเลสตัณหาให้มันขาดเด็ดไปเลยโดยไม่ต้องสร้างบุญสร้างกุศลไม่ต้องทำความดีอะไรให้มากมายแล้วกิเลสมันก็หมดไปได้ โอยพระอระหันต์มันก็เต็มบ้านเต็มเมืองเลยวะถ้าเป็นอย่างว่านี่นะนั่นแหละก็เพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้อย่างว่าเราจะไปข่มใจล่ากิเลสให้มันขาดเด็ดไปทันทีทันใดไปเลยอย่างนี้โดยไม่ได้สร้างบุญบารมีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเป็นไปได้แล้วก็พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนคนให้เข้าสู่พระนิพพานไปหมดแล้วแหะ จะไม่มีคนมาเกิดอยู่ในโลกนี่แล้วอต่สาเหตุที่มันจะมีคนมาเกิดอยู่ในโลกนี่ก็เพราะว่านั่นแหละเมื่อได้เกิดร่วมพระพุทธเจ้าแต่อินทรีย์มันยังไม่แก่แบบนี้นะท่านผู้มีอินทรีย์แก่กล้าท่านก็หลุดพ้นไปแล้วเข้าสู่พระนิพพานไปแล้วผู้ใดอินทร์ซียังอ่อนอยู่ก็ต้องมาเกิดอีกมาสร้างบุญบา ร, รมีอีกอย่างพวกเราเจ้าข่าอย่างนี้แหละ เราก็เกิดมาสร้างบา ร, รมีให้แก่กล้าขึ้นไปอย่างนี้ผู้ใดรู้ตัวแล้วที่เราได้มาสร้างบุญบา ร, รมีอยู่อย่างนี้นี่ก็เพราะอาศัยบุญเก่าที่เราทํามาเนียมันหนุนใจนอคนไม่มีบุญเก่าติดตัวมาแล้วก็อืมไม่ไม่สนแล้วไม่มีอะไรจะมาสนใจฟังเทศฟังธรรมนั่งหลังคดลังแข้งดูอย่างนี้ไม่เอาแล้ว พราะไม่มีปัจจัยหนหลังมาหนุนส่งอ่ะเป็นอย่างงั้น <c oughs> เหมือนอย่างบุคคลผู้ไม่ได้รับประทานอาหารอย่างนี้นะแล้วมันจะไปทํางานหนักได้เหรือคิดดูออ่ ะ, ะทําไม่ได้เลยถ้ามีใครไม่ใช่ไปทํางานหนูยังไม่ได้ทานข้าวเลยนี่ต้องทานข้าวก่อนถึงจะไปทํางานได้อันนี้ก็ะชั้นในก็อย่างนั้นเนี่ เมื่อบุคคลเป็นผู้หิวบุญหิวกุศลมาแต่ก่อนนู่นไม่ได้ทำบุญมาเลยจิตใจเพลียไปหมดเลยพอจะมาพระท่านจะแนะ น, นาสั่งสอนให้ละความชั่วอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีกำลังใจจะละได้เลยเมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่แต่หน้าถึงปัญหาหมดทำไม่ได้ดูสิไปทำบุญในวัดบางครั้งบางคาวบางแห่ง คนเต็มศาลาเนี่เวลาไปทำบุญถวายทานอย่างนี้พอทำกิจจ้วัดอย่างอื่นเสร็จตรงเวลาพอโคศกประกาศเพื่อนว่าต่อไปนี้เชิญท่านทา ย, ยกทายิกาทั้งหลายฟังทำ ร, ร, ร่วมกันอย่างนี้ันลุกขึ้นไปแล้วลุกกันไปแล้วไหลกันออกไปแล้วนั่น เหลืออยู่ไม่กี่คนนะนี่เคยเห็นมาอยู่เหมือนกันเนละจึงได้นำมาพูดนี่นะทั้งนี่และทั้งนั้นเพราะอะไรล่ ะ, ะก็อย่างว่านะเพราะน้ำไหลไม่ทันกัน <c oughs> คนที่ลุกหนีออกไปนั่นก็แสดงว่าอินทรีย์มันยังอ่อนอยู่มากฟังได้ก็ไม่เข้าใจหรอกตัวนี้เมันก็นึกอย่างนั้นนะ ไม่เข้าใจหรือฟังแล้วก็ปฏิบัติตามไม่ได้หรอกมันทอใจแล้วอยู่ในลูกหนีผู้ไม่ลูกหนีเนี่ยใจมันสู้ก็เพราะมันมีทุนเก่านั่นแหละติดตัวมาก่อนมันยังเป็นอย่างนั้นทุนเดิมนั้นมันติดตัวมาแต่ชาติก่อนก็เคยได้ฟังคำสอนของพระทีเจ้าเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามมา เหมือนอย่างอันในเรื่องจะข้างพระเจ้านั่นแหะ